บทขัดธรรมจักกับปวัตนสูตรอนุตรังอภิสมโพทิงสัมพุชิตวาตถาคตุปะธรมังยังเทเสสิธรรมจักกังอนุตรัง สัมมเทวะปะวะตตัตตนโตโรโกเกอปฏิวัติยงังยัตาขาตาอุโพอันตาปฏิปติจะมาชิมาจตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังยานาทัสนา เทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมพโพ ธ, ธิกิตตนานาเมนวิสุตตังสุตตังธรรมจากกปะตะวัตตนาวยากรณปาเถนะสังคีตันตัพนามเซ